สสังคาทิเศตกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังคาทิเศตกันสองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศตแก่ภิกษุณีผู้ก่อคดีพิพาทณที่ไหนทรงปรารบใคร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 ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาก่อคดีพิพาทถามในสังฆาธิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติพระอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบ ในสังคาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพะทะบัญญัติปเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพะทะบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาศาระนะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอาศาระนะบัญญัติ ถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาปาติโมกขุเทศสี่อุเทศสังคาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนี้จัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิธานุเทศนับเนื่องในนิธานุเทศถาม มาสู่อุทเทศโดยอุทเทศไหนตอบมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศที่สามถามบรรดาวิบัตสี่อย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นสีละวิบัติถามบรรดากองอาบัตเจ็ดกองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตสังคาทิเศษถาม